บทที่78แอนน่อซดต้องการอยากนีไคโฮเทติทคุณอยากทำอะไรไคโฮเชติคุณอยากเล่นฟุตบอลไหม g ฮเ t ต์อิกราติโนโกรมคุณอยากไปหาเพื่อนๆนไหมโฮเชต์อบิสคัติปร t แอตเตลเต้องการอยากโคเทตีดิฉันไม่อยากมาสายโนชติพอน ดิฉันไม่อยากไปที่นั่น no tram ittia ดิฉันต้องการกลับบ้าน ho tram domo ดิฉันต้องการอยู่บ้าน ho tram o s t a t ิ d o m a ดิฉันต้องการอยู่คนเดียว ho tram bitisam คุณอยากอยู่ที่นี่ไหมคุณอยากทานอาหารที่นี่ไหมคุณอยากนอนที่นี่ไหม คุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะเ ค, เคุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคะเ ค, เคุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมค ะ, เ ค, เะคุณอยากไปดิสโก้ไหม โชเวคุณอยากไปดูหนังไหมโชเวคโนคุณอยากไปร้านกาแฟไหมโฮชเตวคาวาโน